เพื่อนที่รบค่ะผ่านไปนะคะสำหรับพระมารชาคาวโรวัดนาปาพงลำลูกกาคลองศิรายการนี้รายการสันสนิสนทนาสันสานิณาพงดำเนินรายการนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและในห่วงเวลาของปี 2,555 ที่มีการเฉลิมฉลองการมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เป็นปีที่ 2,600 ราการเราก็ขอที่จะร่วมเฉลิมฉลองไปด้วยการนาเสนอ เรื่องราวของพระพุทธองค์แล้วก็สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสสอนอันเรียกว่าพุทธวจนะเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นนำเอาไปปฏิบัติแล้วท่านทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสในการที่จะบูชาพระพุทธเจ้าของเราได้เทียบเทียมกับการที่จัดกิจกรรมใหญ่ๆถวายท่านหรือว่าบางครั้งเนี่ยจะดีกว่าด้วยเพราะตรัสเอาไว้นะคะว่า การบูชาพระพุทค์ที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติกูชานั่นเองค่ะเราไปพบกับพระภัยบุญอภิปุณโนซึ่งจะมาให้ข้อมูลของเราในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะต่อไปนี้นะคะนวัส ก, การนท่านคะเริญพานค่ะในการวันนี้เราเอาเรื่องพุทธพุทธประวัติมาพูดกันก่อนเลยดีกว่าเนะ้ะค่ะใช่กันทั้งคะเออก็เมื่อวันนั้นเราพูดถึง จากที่พระพุทธเจ้าเดินทางไปหาปัญจวัคคีย์แล้วภิกษุหรูปใช่ไหมค่ะคือเหตุการณ์ตรงนี้มีข้อมูล น, ะน่าสนใจอยู่คือหลังจากที่พระพุทธเจ้าพักผ่อนตามสบายแล้วก็เดินทางไปนําไปหาพวกปัญจวัคคีย์ซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ไหนคือตอนนั้นพวกปัญจวัคคีย์อยู่ที่เมืองปราณสีทศพงค์อยู่ที่ตมลกยาซึ่งตรงนี้ก็ไกลกันประมาณสักหกิกิโลได้ไหมค่ะประมาณนี้ก็เดินทางด้วยเท้าเอ า, เ, อาเรื่องตัวเลข จำนวนกิโลมิมล เ, มเตอร์นี้อาจจะมาไม่ค่อยแน่ใจนะอาจจะห0ส0บดสิบหรือว่าประมาณนี้แหละ อ, อยู่ไกลกันครับรถประมาณก็สองชั่วโมงสามชั่วโมงทีนี้ว่าจากเส้นทางเดินไปเนี่ยพอไปถึงแล้วยังไงแล้วว่าเดินเข้าไปใกล้เนี่ยพวกภิกษุ5้ารูปก็เห็นมาเห็นพระรชาเดินมาแต่ไกลละเฮ้ยก็เลยเตรียมกันนะคุยกัน5้ารูปว่าเอาละ สมณคดมกลาลังเดินมาทางนี้นะแต่ว่าสมณครดมเนี่ยเขาเป็นคนที่สลัดความเพียนเวียนมาเพื่อเป็นคนมากๆเสียงนั้วนะเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะแค่ว่าตั้งที่นั่งเอาไว้แล้วก็จะนั่งก็ให้นั่งแต่ว่าอย่าไปลุกรับบาจีวร อ, อย่าไปไหว้เป็นอันขาดเตรียมกันไว้อย่างนี้ค่ะ <c oughs> อือือในสมัยนั้นเนี่ยการที่จะมีครูบาอาจารย์เราก็จะไปอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ใช่ไหมโดยการที่เอ่า น้ำล้างเท้ายกบาตรจีวรถือย่ามจัดที่นั่งไว้ให้นี่เป็นข้อปฏิบัติซึ่งสมัยนี้เราก็ยังทํากันอยู่ทีนี้พิสูจน์ห้ารูปนี้ก็เตรียมกันแล้วว่ า, าจะให้ตั้งที่นั่งไว้เฉยนะแต่ว่ารับบาตรจีวร อ, อะไรพวกนี้จะไม่ทําปรากฏว่าพอสมณะโคโดมนี่เดินเข้ามาใกล้จริงๆปรากฏว่าบางรูปก็เอาเข้าไปรับบาตรบางรูปก็รับจีวรบางรูปก็เตรียมน้ําล้างเท้าให้อะไรอย่างนี้นะที่ตกลงกันไว้เนี่ย ไม่ได้ทำกันได้เลยทำ mm. ไมถึงเป็นอย่างนั้นอาตมาก็คิดว่าเป็นความเคยชินนะนะที่พิสุธิ์ห้ารูปนี้ได้ได้เคยกระทำมาอย่างไรก็ตามผู้ชาาก็เล่าเอาไว้ให้ตรงนี้แต่ว่าพวกพิสุธิ์ห้ารูปเนี่ยก่อนหน้าที่จะเจอกันจากกันครั้งล่าสุดเนี่ยที่จากกันไปนี้ก็เพราะว่าเห็นพระชามารับประทานอาหารมาฉันอาหารก็เลยอุ้ย มาดามาเ้าเรียกว่าประนามพระพเจ้าว่าเอาทำไมมากินข้าวล่ะกําลังทําความเปียนท้องกิ่วอยู่นี่ดีแล้วนะอะไรลักษณะนี้นะค่ะพอพอเจอกันครั้งล่าสุดนี้ก็เลยไม่ได้ใช้คำว่พันเตคือสมัยก่อนีจะเรียกคำพันเตพันเตพันเตก็คือหมายว่าท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญคือเหมือนกับเรียบุคคลที่สูงกว่าเรานะค่ะซึ่งพอเจอกันครั้งนี้นะกับเรียกว่าอวพุโสรอวพุโสรนคือเรียกบุคคลที่เสมอกันค่ะ พระพุทธเจ้าก็เลยบอกอย่าเรียกอย่างนั้นเลยนะให้เรียกเราเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะให้เธอเอฟังฟังทำเธอนะเธอจะตรัสรูด้ได้พวกนั้นก็ไม่เชื่อใช่ไหมก็ไม่เชื่อพูดกันอย่างเนี้ยสองรอบนะสามรอบเลยสมรอบพระพุทธเจ้าก็พูดอย่างนี้อีกนะจนกระทั่งรอบที่สี่นะรอบที่สี่เนี่ย ก็คือที่พูดกัน4ี่รอบเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้มาฟังธรรมใช่ไหมอย่เรียกเราว่าเป็นอาวุโสเลยให้เราตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะให้พวกเธอมาฟังธรรมเธอจะบรรลุซึ่งธรรมะได้เราบรรจารวกีก็ตอบว่าอุย้ยจะไปบรรลุได้ยังไงขณะท่านทําความเพียรจนท้องกิ่วขนาดนั้นเนี่ยยังไม่บรรลุเลยแล้วตอนนี้ดูซิผิวพันธ์เต็มที่แล้วอย่างเงี้ยมีผิวพันธ์ดีอย่างนี้แล้วจะมาบรรลุได้ยังไงเขาก็ไม่เชื่อพูดกันอย่างงี้ยารอบ ค่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยรอบที่สี่ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันตั้งแต่คบกันมาเนี่ยตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยเราได้เคยพูดคํานี้หรอว่าเราสรตรูปเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเออพี่พวกปัญจวัคคีย์ก็เลยเริ่มคิดได้นเออไม่เคยเลยนะค่ะเออพอถึงตรงนี้ก็เลยเริ่มใช้คําว่าพัานเตะละ <S <S 2> <S 2> อืมเคยเริ่มใช้คําว่าพัานเตะแล้วว่ะอ๋อท่านพูทเจริญไหนลองว่ามาสินี่ค่ะ ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มนอกเหนือจากเรื่องพุทธประวัติแล้วยังได้รู้วิธีการเรียกพระภิกษุนะคะว่าควรจะเรียกแบบไหนที่อยู่ในฐานะสูงกว่าถ้าอยู่ในฐานะเสมอๆกันค่ะใช่แล้วทีนี้พอพว้บรญชาการวิคีจะมาฟังธรรมละเรียกพระพุทธเจาว่าพันเตละละมีความนอบน้อมในการฟังธรรมละพระพุทธเจ้าก็เลยสอนธรรมะ นั่นก็คือเป็นที่มาของอธรรมจักกับปรวัตณะสูตรตรงนี้นี่คือจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่มาในธรรมจักรกับปรวัตณะสูตรนั่นแหละค่ะนี่ก็เกือบจะไม่ได้ฟังธรรมเหมือนกันนะคะถ้าพระพุทธองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธองค์ที่ทรงมีเมตตาใช่ <laughs> เพราะวถูกเกมรุกอ่าเคยเรียกแบบยกย่องดีๆอืมคือคือมันเป็นงี้ด้วยคุณคุณยมถิ่นคือพอฟังธรรมเนี่ยฟังธรรมะเนี่ย คือพูดกันสี่ห้ารอบสี่รอบเต็มเต็มเนี่ยนะจกนกระทั่มือจะไม่ได้มาฟังธรรมฟังธรรมแล้วเนี่ยก็สอนกันอยู่หลายวันทีเดียวนะพระพุทาบอกว่าบินตบาทเนี่ยบางทีสองรูปไปบินตบาทนะสามรูปนะฟังธรรมะอยู่สามรูปไปบิณตบาทสองรูปฟังธรรมะอยู่อย่างนี้ก็มี mm hmm. นะคือแสดงว่าเป็นเวลาหลายวันเพราะบินตบาทเนี่ยมันก็วันละครั้งเท่านั้นเองนะ hmm. แล้วก็แสดงว่ามีเวลาหลายวัน อย่างน้อยต้องมีสองวันค่ ะ, ะซึ่งติวเข้มกันขนาดนั้นแล้วเนี่ยบรรลุนี่ยังบรรลุคนเดียวด้วยนะขั้นต่ําสุดอีต่างหากคือเป็นสนธบัณอัญญาโกฏัญญาอ่าแล้วพอบรรลุแล้วเนี่ยก็ให้อัญญาโกฏัญญามาบวชเป็นพระในธรรมวินัยนี้ใช่ไหมค่ะต้องอีกสามองสาวันเลยขึ้นไปเนี่ยจนกระทั่งถึงบรรลุเป็นพระอรันทั้งหมดนะสะหรูปตอนนั้น<ม>ก็จึง<ม>เกิดเป็นเขาเรีย<ม>กว่าเป็นที่มาของอนตัตตาลักขณาสูตร คือหลังจากที่เทศธทำบรรจกกักษ์ปปปตนสูตรใช่ไหมค่ะอ่าบรรลุปเป็นประสดาบัานละอัญญากรทัญญะนะมีพระสง์รูปแรกแล้วก็พระเจ้ากเทศสูตรที่สองนั่นคืออนันตารักขนสูตรซึ่งตรงนี้ใช้เวลาติวเข้มอยู่อีกสองสามวันเป็นอย่างน้อยอนนจึงเกิดเป็นพระลานทั้งหมดหามม้ารูปก็มีที่มาแบบนี้เรียกว่าจากตรงนั้นก็มีการขยายวงของการที่จะสอนธรรมะออกไปเรื่อยๆใช่ แต่ว่า5ท่านนี้เป็น50แรกใช่หท่านแรก<ช>นี้ว่าตรงตรงข้อมูลที่พระเจ้าสอนในธรรมจักรกับปปตันสูตรเนี่ยมีแง่มุมที่สนใจน่าสนใจคือเรื่องของอริสัตยใช่ไหมที่เราพูดถึงเรื่องของทุกเนี่ยทุกสมุทัยนี้รอบมากเนี่ยนะเรารู้กันอยู่ใช่ไหมทุกเนี่ยสมัยนั้นคนสมัยนั้นเขาเข้าใจกันอยู่ละนะว่าทุกคือความเกิดความแก่ความตายพวกนี้เป็นทุกหมดแน่นอนเพราะว่าเรามาบางคนไปเอาหนาตตำให้หนาตตำ ยืนเป็นวัวเป็นควายบางทีเอาไม่กินข้าวจนท้องผูกเนี่ยเพื่อให้พร ะ, พระเทพพระพระเจ้าข้างบนเห็นใจนะให้เราพ้นจากความทุกข์ได้แต่พระพุทธเจ้านี่คือเรื่องของทุกข์นะแต่พระพุทธเจ้ามาพูดถึงเรื่องเหตุของความทุกข์เนี่ยคือเรื่องของตัณหาซึ่งเป็นอยู่ในภายในซึ่งคนอื่นเขาทั่วไปเนี่ยเขาคิดว่าโอยนูน่นมีพระเจ้าวันดานะให้ฉันทุกข์ให้ฉันสุขนะไม่ใช่ตัวฉันทําเอง แต่พรุทธาพูดถึงเหตุของความทุกข์เนี่ยคือตัณหาข้างในเนี่ยน่ามาคิดว่าทําให้เราเป็นจักรวิคีเนี่ยเพิ่งจะร้องอ๋อเพิ่งจะเห็นความแตกต่างเพิ่งจะถึงความมั่นใจว่าโอ้สงสัยนี่เป็นสมาธิของพรเจ้าจริงแน่นอนเพราะว่าวิธีการปฏิบัตินี่มันค่อนข้างจะแวกแนวเหตุมันแหวกแนวจากที่เขาทำกันอยู่นั่นคือเขาทํากันอะไรเขาเชื่อว่าพระเจ้าโดนบันดาใช่ไหมแต่พระพุทธาบอกตัณหานะเป็นเหตุของความทุกข์มันแหวกแนวไงคุณยมเตียออืมค่ะ ทำให้เขาทำให้นี่ความหม้ยจะมาเนะคิดว่าทำให้ปัญจวัคคีเนี่ยลงใจเชื่อว่า อ, อันนี้สมมาสมพุท ธ, ธาจารย์แน่เพราะว่ามีเทคโนโลยีใหม่บางอันเถอะหลักษณนนี้นะนะค่ะก็ก็เป็นเรื่องที่ดีฉันเข้าใจว่าใครได้ฟังก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน <laughs> นี่นี่ขนาดว่า ปัญจวัคคีย์ก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่บนเส้นทางที่จะหนีจากความทุกข์ถูกไหมคะอยู่แล้วใช่ใช่ใชก็ยังครึ่งในธรรมะของพระพุทธองค์เลยใช่จนกระทั่งได้บรรลุคนพิเศ ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษคือเรื่องของเป็นอาลัยบุคคลขั้นสูงสุดเลยในเป็นพระอรหันต์คือตรงนี้เราเห็นแงม่มุมตรงที่ว่าผู้รู้แจ้งยังต้องติวเข้มอีกหลายวันนะกับพวกปัญจวัคคีย์ในที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ เพราฉะนั้นเราเห็นความพยายามตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะไม่ประมาทนะ่ะควรจ ะ, ะใช้โอกาสนี้ในการที่จะทําให้ยิ่งขึ้นไปปฏิบัติบูชาทําให้มันเห็นทำให้มันได้อ่ะท้อแท้ท้อถอยอย่างนี้นะคะ่ะเสียดายนะคะก่อนหน้าที่จะมาถึงปีนี้เนี่ยไม่เคยมีการเก็บสถิติกันไว้ว่าชาวพุทธอ่าที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะมีจํานวนที่เป็นชาวพุทธโดยสืบสายเลือดจากครอบครัวมา กับชาวพุทธที่ปฏิบัติในลักษณะเพียงใดบ้างเช่นอาจจะย์ทำบุญตักบาตรเฉพาะวันพระเฉพาะวันเกิดหรื อ, อทำเข้มข้นมากขึ้นคือไปวัดฟังธรรมด้วยปฏิบัติธรรมด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงปีนี้วัดกันใหม่เลยว่าจากการที่เราประโคมนะคะเฉลิมฉลองกันเนี่ยทำให้คนหันมาเข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์ในลักษณะที่รู้แล้วนาไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ มันมีวิธีวัดได้อยู่แล้วก็ดูสถิติยอดหลังน่าจะได้นะอย่างเช่นว่าเราดูเรื่องของศีนก็ได้ขุยมติวคือเรื่องของศีนเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าคือคนที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงเนี่ยอย่างน้อยเขาต้องมีศีนแหละ ถ, ถ้ามีศีนเนี่ยอย่างน้อยคดีความในศาลเอ่ยคดีความปัญหาตามหนังสือพิมพ์ข่ า, ากันด่ากันพวกนี้คงจะต้องลดลงแน่ ดังนั้นจึงคิดว่าการเฉลิมฉลองที่น่าที่จะเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เนี่ยนอกเหนือจากพิธีการพิธีกรรมก็ต้องมีบ้างนะคะ<ม>เป็นเรื่องธรรมดาที่ให้เหมาะสมกับโลกพอดีพอดีเนี่ยแต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่ไม่ควรพลาดและต้องทําให้หนักทําให้มากทําจนวัดผลได้เลยว่าปีนี้หลังจากเฉลิมฉลองให้ธรรมะของพระพุทธองค์การเสร็จเรียบร้อยแล้วืมพอต้นปีหน้ามาวัดกันเลยพ้น การลักขโมยน้อยลงเท่านี้การอะไรอย่างเงี้ยเท่านี้เท่านี้คอร์รัคชั่นน้อยลง อ, <c oughs> อันนี้ด้วยคือถ้ามันเป็นไปในวงกว้างเนี่ยในทุกวงการเนี่ยมันก็จะต้องได้ผลหมดเอาหรือถ้าว่าไม่ทุกวงการเอาวงการไหนคุณกาลังวัดอยู่อย่างเงี้นะค่ะ <c oughs> เราก็จะสามารถระบุดูได้หรือโรงเรียนเนี่ยนะคะเอาไปใช้กับเด็กๆ เ, เลยเอาดัชนีชี้ว่าตัวเดียวก็ได้สีลข้อไม่ขโมยนะคะ หรือว่าสีไม่พูดปล ด, ดี่ฉะนว่าไม่พูดปลดเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าอ่าขโมยเนี่ยบางคนอาจจะอ่ามันยากในการที่จะตรวจสอบพิสูจน์อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ายังพูดปดเนี่ยคนใ ก, กล้ๆในน่าจะจับได้ง่ายก็จะได้รู้เออลูกเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่พูดโกหกเลยเป็นผลจากการที่โรงเรียนให้ความรู้ค่ะอืมใช่าปานนะคะดิฉนันก็เห็นท่าน <c oughs> <c oughs> ต้องบอกท่านฟังนะคะว่าท่านเพรบูลเนี่ยย่ง อ, อยู่ในช่วงการฟื้นฟูของสุขภาพอยู่ก็ต้องกราบขอพระทานโทษนะคะที่ได้รบกวนท่านอย่างสม่ําเสมอคือทุกวันเลยที่เป็นกําหนดของรายการเรานะคะแล้วท่านก็เมตตาท่ายัางทําไว้ท่านก็ยังมาทําอยู่ใช่คือประสงค์นี่วันพระก็ไม่ได้พักนะอค่ะปกติแล้วถ้าเป็นวันสําคัญของครูครูได้พักใช่ไหมคะใช่ พระสงฆ์ไม่มีวันหยุดหรือวันวิสาขะมาฆาพวกนี้โอ้โหคนยิ่งแห่มาวัดยิ่งมากอีก <c oughs> คือวันหยุดของท่านเป็นวันทํางานของพระนะ <c oughs> ใช่แต่ก็ดีนะคะที่ว่าเขาหยุดงานเขายังมาวัดนะคะท่าน <c oughs> ใช่ใช่หรือฉันต้องอ่านเมื่อสักครู่เนี้ยเป็นข้อมูลของนักธุรกิจเก๋ไก่มากเลยนะคะเขาแต่งตัวแต่งตัวทําสมัยแล้วเขาบอกว่าน้ําท่วมเนี่ยก็ทําให้เข้าหาธรรมะมากขึ้นคือไปเที่ยวนะคะไปต่างประเทศ แต่ไปอย่างประเทศอินเดียเนี่ยไปก็ปฏิบัติธรรมไปแล้วดิฉันอ่านจากในรายละเอียดเนี่ยเขาพูดเป็นภาษาพุทธวจนะเหมือนกันนะคะอมีการพูดถึงการหลีกเล่นเรือนว่างโคนไม้อืมมีการหลายคําค่ะเรียกว่าเหมือนกับพุทธวจนะเลยสงสยัยเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เพบูลหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็มีหลายท่านนะที่น้ําท่วมเนี่ยแล้วก็เลยทำให้รักกันมากขึ้น เหมือว่าควอนน้ำท่วมแล้วคนก็ช่วยกันเอาข้าวไปให้กินคอยไปดูแลถามไถ่ยอย่างเงี้ยน ะ, ะทำให้สนิท ก, กับเพื่อนบ้านมากขึ้นอันนี้เห็นชัดเจนเลยเห็นทุกคุณจริงเห็นทำไงท่านคะ่ะเดี๋ยวเราคงรจะต้องยกยอดเรื่องทั้งหลายไปสนทนาต่อได้จะให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติบูชาด้วยการรักษาศีลใช่ไหมเท่า น, นี้ดูเหมือนค่ะ แล้วก็เรามาติดตามรับฟังรายการสัมสนีสนทนากันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะค ะ, ะถ้าท่านอยากได้นั้งสือพุทธวจะนะไปศึกษาเผื่อได้พูดเหมือนคุณผู้หญิงคนนี้บ้างเนี่ยนะคะก็อ่านหนังสือที่ท่านครึกฤทธิ์ได้มอบให้กับพวกเราเป็นประจำทุกวันวันละสท่านนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022690006ที่นี่ที่เดียวกับที่ท่านสามารถทิ้งคาถามได้แล้วก็ยังไปอีกที่หนึ่งได้ก็ที่ p e t h m a c o m 106ตรงไปหาท่านพิบูรณกราบขอบพระคุณท่านพิบูลนะคะดิฉันบานแล้วก็ลาท่านผู้ฟังไปนะโอกาสนี้เลยพบกันหน่ยวันพรุ่งนี้พุธวันสวัสดีค่ะ